กรืเรงในธารทำจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท้าไั้นแต่ลมประพุทิยานกำลังนำเสนอเรื่องสัมมาวาจาสืบต่อกันมาโดยลำดับมาถึงข้อสุดท้ายที่ทรงใช้กันว่าสัมผัสปลาปาเวรมณีแปลว่า ง, งดเว้นจากคำเพื่อเอร์เหลวไหลสมัยโบราณในท่านแปลว่าสำรากเพเื่อเชิด อยูเป็นคำพูดที่ไร้าสาระไม่มีแกนสารอะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างพวกตลกโปกฮาทั้งหลายหรือว่าการเล่านิทานเรื่องสปปรสปปรพดกสบดลทั้งหลายหรือว่าการพูดหรือการชี้แจงแสดงเรื่องอะไรก็ตามที่ไม่มีเหตุมีผลหรือไม่สมเหตุสมผลชักใบเรือเสีย เรื่องเขาพูดกำลังจะเข้าข้าวเข้าเนื้อเาเรื่อ ง, องก็ดึงออกไปนอกเรื่องและะ้วสระคำพูดโพสเจอร์เหล่านี้มันตามปกติแล้วสังคมน่ชอบเราลองสังเกตว่าในบ้านในเมืองเราเนี่ยพ่อพวกตลกทั้งหลายเนี่ยเขาสามารถหากินเขาได้แต่ถ้าเราลองนั่งดูว่าเขาพูดเขาแส ด, แดงอะไร เรถามว่าคนฟังได้ประโยชน์อะไรเนี่ยก็ได้หัวเราะท่า น, นั้นเองก็ได้หัวเราะสนุกสนานกันเป็นความบันเทิงเบิกบบานและคำในลนนักษณะนี้บางครั้งบางคราบมันก็ออกมาในรูปของแม้ทต่จินตกะวีปฏิภาณกวีคือมันไม่มีความสมเหตุสมผลแต่ว่าคนก็ชอบที่จะฟังที่จะคิดในเรื่องดอลนั้น คำเหล่านี้ในพระบาลีจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ใช้คำวาจามุสาวาทาบิศุนาวาจาพรุสวาจาสัมผัสปลาปาไม่มีวาจาหรือถือว่าไม่เป็นคำพูดไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ไม่มีแกนสารทีนี้ปัญหาสำคัญว่าจะพูดยังไงล่ะ ก็พูดคำที่มันได้สาระประโยชน์แต่ข้อที่แปลกก็คือคนฟังเขาก็ไม่เคยชอบแต่เราพูดเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์ขึ้นมาหลายปีมาแล้วจะมาไปได้รับปรัฒนาไปบรรยายที่ตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ผู้ใหญ่นะระดับาศาสตราจารย์มาถึงก็กระซิบบอก บอกว่าพูดเรื่องตลกตลกหน่อยแล้วก็บอกโยมไปว่าก็คงนิมนต์ผิดคนเนี่ย น, นะเราไม่ใช่พวกแสดงตลกหรือเล่นตลกแล้วก็พูดไปในเชิงวิชาการก็ไม่มีเรื่องตลกไม่มีเรื่องเล่นนี่ยนะคือมาเป็นคนไม่ค่อยชอบคือเรารู้สึกว่าถ้าเรานั่งตรงนี้ยิ่งนั่งธรราะได้ยิ่งไม่เล่นเลย เราถือว่าเราทำหน้าที่แทนมันคล้ายๆกับเป็นราชทูตที่กำลังอ่านราชสารเนี่ยต้องมีความเคารพต่อสถานที่ต่อตัวสารต่อผู้ฟังนั่งเก้าอี้หรือยืนเนี่ยพอพอได้บ้างนะฮะพูดเกล็ดๆคำๆอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ย็ได้ก็ตกลงว่าเราก็ไม่พูดเล่นนะไม่พูดตลก แล้วไปจากบัดนั้นถึงบัดนี้นะยังไม่ได้เคยรับมหมนไปพูดอีกเลยนึวกว่าเออมันก็ดีเหมือนกันคือทำแต่ว่าเราก็ใจหายนะแต่เพราะว่ารายการมันใหญ่แลวใช้งบประมาณเยอะเลยจะเอามาให้พูดเรื่องเล่นเรื่องตลกก็เสียดายงบประมาณของแผ่นดินอาคารรฐานที่แอร์คอนดิชันไฟฟ้าอะไรต่างๆมาสิ้นเปลืองไปเยอะหลายปีแล้วนะประมาณครับ ห้าหกปีอะยังไม่ได้เคยรับนิมนต์ไปพูดนอกจากเคยไปร่วมประชามร่วมรูปปรชุมในเวิร์กช็อ ป, ปที่เกี่ยวกับการไปรูปการศึกษาโดยท่านนายกแก่เดินเมษาในที่หึ่งเท่านั้นเองไอ้คำที่เป็นประโยชน์เนี่ยคือเรื่องบันเรื่องมันอาจจะเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีแต่ไม่เกิดประโยชน์ มันเหมือนกับเราสงเคราะห์คนเนี่ยนะรเราสงเคราะห์คนเขาขาดแคลนสตางค์ต้องการค่าพานะอะไรตไรเนี่ยเราให้ปากกาให้สมุดให้ดินสอขาวเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์คือสงเคราะห์โดยสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งทั้งที่สิ่งนั้นมันมีประโยชน์แต่ว่าันมีประโยชน์ในกรณี อ, อื่นไม่ได้มีประโยชน์ในกรณีนั้น แล้วก็ต้องพูดต้อ ง, งอมองว่าเราพูดอะไรพูดกับใครพูดเรื่องอะไระพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะรับประโยชน์อะไรไหมถ้าเขาไม่รับประโยชน์ก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยแม้แต่การเทศสอนธรรมะยกตัวอย่างเราเทศสอนธรรมะเนี่ยก็ชาวบ้านทั่วไปหรือเด็กทั่วไปเนี่ยเราก็พูดเรื่องจิตเจชสิทธิวุคพ่านไปหายไปเลยมันปัญหาไมด้ปโยชน์อะไร เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องเป็นธรรมแล้วก็มีประโยชน์แต่ว่าสําหรับคนบางกลุ่มเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรอย่างที่โบราณท่านเตือนให้สติว่ายืดมณีมีค่ายวานอนรู้เสี ก, ก่อนเลยจย่คิดปิดทองเปลวว่ามณีเนี่ยมันมีค่าในตัวของมันแต่ปัญหาเราจะให้ใครล่ะให้วานอนมันก็ไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไร เกื่ยกับการจะปิดทองในปัญหาวรสจะปิดอะไรก็นึกถึงการปิดทองว่าตามปกติเราก็ปิดที่พระพุทธรูปนะฮะแล้วควรจะปิดที่ฐานไม่ควรจะปิดที่องค์แต่ว่าเราก็เลยไปจนถึงปิดพระปิดพระสงฆ์ปิดพระสงฆ์ปิดที่กุฏิปิดที่อะไรต่ออะไรต่างๆ แต่ก็ดูซะก่อนว่าคนนี้ควรค่าแก่การปิดทองเปลวหรือเปล่าทำไมควรค่าแก่การปิดก็ไม่ควรจะปิดดังนั้นคำมีประโยชน์เนี่ยเราเว้นคำเพื่อเจอมาพูดคำมีประโยชน์นคือบางอย่างมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่อ่ะนะ ยกตัวอย่างเช่นคนหลงทางอยู่เนี่ยทางควรจะไปทางซ้ายมือก็ไปทางขวามือเนี่ยเราบอกเขาไปขวามือเนี่ยํานี้มีประโยชน์แล้วก็เป็นสัจจะด้วยเป็นคําไม่หยากด้วยนะฮะเป็นเป็นสัจจะคือเป็นความจริงด้วยแล้วก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเขาด้วยเพราะคําที่มีประโยชน์จึงเป็นที่รวมของความดีว่าเรื่องนั้นบางครั้งบางคราวนี่อาจจะมันไม่จริง มันไม่จริงแต่ว่ามันมีประโยชน์ในบ้างคราวเนี่ยท่านก็ต้องทำแต่ท่านเล่าถึงว่าอาจารย์รูปหนึ่งลูกศิษย์มันมันชอบขัดแยง้งครอทะเลาะชอบถกเชียงกันอยู่บ่อยเลยเลยท่านไม่รู้จะทำยังไง ท่านก็เคียวชานหมากนะใส่ไปในกระบอกไม้ไผ่กระบอกขนาดยาวนะใส่ไปแล้วก็จุกมาอุดเอาไว้จะบอกว่ากระบอกไม้ไผ่เนี่ยเป็นที่ใส่ตัวอุบาติคนก็มาดูกันเนะี่ยดูก็ไม่เห็นเนี่ยนะคือห้ามไม่ให้เทนะมีก็แม่มาเทไม่ได้ห้ามไม่เทก็คนก็เถียงกัน ต่างคนต่างก็กว่าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้ก็บอเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เถงกันแ ล, ล้วพลโท้ายก็ทะเลาะ ก, กันแล้วท่านก็เทลงมาให้ดูอะท่านบอกว่าต้องการจะให้สติพุกคุณนี่แหละว่ามีเรื่องเป็นมาที่คุณมาเถียงกันแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรในเนื้หาสาระจริงๆมันคืออะไรทําไมจะต้องมาเถียงกัน มาเถียงกันมันต้องเข้าใจในเนื้อหาสาระของสิ่งเหล่านั้นแต่เถียงกันโดยไม่เข้าใจเนื้อหาสาระอะไรแล้วก็มาเถียงกันน่ยมันไม่ได้ไประโยชน์เพราะนั้นชันมากแ ต, ต, นตน่นั่นเองแต่บางคนต่างว่าเป็นสิ่งนั้นเป็นตัวนั้นเป็นตัวนี้นต่างคนต่างไม่รู้นะแล้วก็ยึดถือในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้แล้วมาปฏิเสธคนอื่นซึ่งคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันและเราเองก็ไม่รู้แต่เราปฏิเสธว่าคนอื่นก็ไม่รู้ ผลนไทยเพื่อพิสูดน์ดูทุกคนนี้ไม่รู้หมดแต่เราก็เถียงกันได้ดังคล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังกมปัญหาการเมืองที่เราเถียงกันเนี่ยนะคือจะว่าถูกว่าผิดเนี่ยมันพูดยากเมื่อเราไปทางซ้ายเราก็ไม่ได้เห็นทางขวา เมื่อไปทางขวาเราก็ไม่ได้เห็นทางซ้ายคือไม่ได้พิสูจน์ด้านซ้ายเนี่ยมันไปพิสูจน์ด้านขวาแล้วเนี่ยแต่การแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมทางการเมืองที่แต่ละรัฐเนี่ยแต่รัฐบาลก็แก้ไขได้เราก็ไม่รู้อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะดีกว่านี้หรือว่าเลวกว่านี้หรือว่าพอๆกันเพราะอะไรเพราะไม่ได้กินด้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้ผ่านการพิสูจน์เราพิสูจน์แต่ด้านเดียว นั้งคำที่เป็นประโยชน์จึงไปสัมพันธ์กับเหตุผลที่ใช้ว่าอันนี้เป็นเหตุของสิ่งนี้อันนี้เป็นผลของสิ่งนี้เราอาจจะพูดจากเหตุแต่หาผลอาจจะพูดเพ่อพูดจะผลได้หายล้วก็เชื่อมโยงกันระหว่างเหตุกับผลก็ได้แล้วก็ดูสถานะของผู้ฟังดูกลุ่มของผู้ฟังเรื่องบางเรื่องมันอาจจะไม่มีประโยชน์มากหรอกในสถานการณ์นี้อย่างหง แต่สถานการณ์อีกอย่างหนึ่งนี่อาจจะมีประโยชน์มากเช่นสมมติว่าอาหารพระบินบาบมาแล้วนะพระบินบาบมาแล้วพระฉันมาวันพอดีเป็นเทศการคนตักบาตรมากาก็รวบรวมของนั้นไปแจกคนซึ่งอดอาหารเนี่ยอาหารนั้นมันกลายเป็นของมีประโยชน์แล้วก็มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนที่หิวโหยเนี่ยมันก็สุดสด กินอาหารอร่อยสุดๆไปในสัพพริศ ธ, ธรรมท่างฝังคนนี่ก็บ อ, อกว่าสัพพิริต ธ, ธรรมเนี่ยเป็นหลักการนํากันที่จริงก็เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาความรู้เป็นการบริหารจัด ก, การในแต่ละเรื่องทุกกรณีแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามเนะีเป็นหลักการในการบริหารการจัด ก, การแต่ที่จริงและปัญญาตัวเดียวนะท่านเรียกอัฏฐานยุตตาธรรมัญยุตตาธรรมัญยุตตาอัฏฐานยุตตาเนี่ย อัตบรรดุตามัตตันดุตากาลันดุตาปริสานุตาปุกาโลภะปารันดุต า, ปต า, ปปปตาแปลว่ารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักกลุ่มคนรู้จักบุคคลซึ่งหมายความว่าจะต้องปฏิบัติได้สอดคล้องกันไปตามทุ่ควรแก่กรณีในขณะนั้นๆมันอา จ, จะไม่เป็นประโยชน์ สำหรับคนกลุ่มหนึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรัคนกลุ่มหนึ่งบางอย่างการกระทําเล็กๆนี่นะเช่นสมมุติว่าคนก็หกล้มเราเข้าไปช่วยประคองก็เป็นประโยชน์แต่คนก็เดินดีๆเราไปประคองเนี่ยไม่เป็นประโยชน์เป็นปัญหาว่าปฏิบัติธรรมใ้สมควรแก่ธรรมตามุมคนแก่กรณีนั้ น, นคำเพื่อเจอเริญหลายรายสาระในมัน พูดเล่นๆระยะสันส้นๆมันคงจะได้อะนะเพราะว่าคนก็ชอบคมพูดในลักษณะนั้นอยู่จะมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคือบางทีนีเทศต่างจังหวัดนิเทศยากนะต้องมีเกรดนีตลกโปกฮาสนุกสนานแต่เราก็ไม่เล่นนะคือตั้งใจว่าไม่เล่นเวลาไปเทศคู่กับเพื่อนเขาก็จะบอก ตรงนี้อาตามาคนเดียวนะท่านมหาไม่เกี่ยวนะเด็วเขาก็เล่นเขาไปเรื่อยเรก็นั่งฟังเฉยๆก็ไม่ว่าอะไรแต่เทศเองเนี่ยมันรู้สึกมันกระดากที่จะไปพูดเรื่องเหล่านะั้นซึ่งบางทีมันก็อาจจะเป็นประโยชน์คนละายเครียดอะไรให้แกเขาได้แต่ว่าคําเนี่ยมันเกิดเพื่อเจอ เราก็ไม่พูดหรอกคนอื่นอยากพูดก็พูดไปแต่เราก็ไม่พูดคําพูดในลักษณะอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วก็คือวจีสุจริตสีประการอย่างนี้กคยบอกท่านผู้พวางไว้นะฮะว่ากันว่ากันตามความเป็นจริงเนี่ยในภาคสนามเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงสีก็ได้เพราะถ้าหากว่าเราพูดคําสัตย์คําจริงเนี่ย มันก็เป็นการส่งเสริมส ม, มัครีประสานส ม, มัคีกระชับส ม, มัครีอยู่ในตัวแล้วแล้วคำนั้นก็ต้องไปเราะอ่อนหวานเกิดประโยชน์แล้วแล้วคำนั้นก็ต้องมีประโยชน์โดยสถานะแต่ทีนี้ที่ท่านกระจายออกไปเนี่ยมันกระจายเห็นว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เป็นการสะท้อนออกมาในลักษณะต่างต่างเพราะงั้นการพูดของเราทั้งหมดไม่ว่าใครพูดกับใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรก็ตาม ก็ไม่สุจริตก็ทุจริตแหละพื้นฐานทางความคิดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุด เ, เรารู้สึกดีต่อคนที่เราพูดด้วยหรือว่ารู้สึกไม่ดีอันเนี้ยมันจะออกไปเองเรานี้จึงเป็นการสะท้อนมาจากพฤติกรรมถ้าสมมติเราคนคนนี้ยเราเคารพเรานับถือเราศรัทธาเรารักเราเมตตาเรากรุณาต่อเขาจะพูดต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามก็พูดเรื่องดีๆพูดถึงในเรื่องที่ดีๆ เพรในความรู้สึกดีเนี่ยมันต้องมีต่อกันแต่ถ้าเป็นฝักเป็นควายเป็นเราเป็นเขาก็สบประมาดดูถูกดูหมินกันเวลาเนี้ยเราลองสังเกตว่าข่าวคราวทางด้านการเมืองเนี่ยคือเรื่องบังเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นอเท่าไหร่นะเพรา ะ, ะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยประวัติศาสตร์บางตอนเนี่ยมันไม่ชัดเจนคือเราเองก็บันทึกด้วยความโกรธ เขาเองบางทีก็ไม่ได้บันทึกไว้และความโกรธเนี่ยมันก็ใ ส, ส่สีตีไข่เป็นปกติธรรมดานะอย่างเรื่องราวต่างๆที่เราขัดแย้งกับพมา่าหรือเมียนมา่าเนี่ยพขากคน้อยใจนะก็ เ, เปลี่ยนชื่อเป็นเมียนมา่าแล้วเรามาเรียกเขาพม่านะผู้พลังก็เรียกเบอร์มาอยู่นะพลังไปเรียกเมียนมาเบอร์มาเมียนม่าจะเรียกง่ายกว่าเบอร์มาเลย นี่ก็มีข่าวว่าจะเกิดความขัดแย้งโดยประรบอะไรล่ะวานบางระ จ, จันอะไรอติตาเรื่องที่เกีย่ยวกับสุขสงครามซ้องอาจจะลามปามาถึงสุริโยไทยด้วยนะแต่กกสุระนารีอะไรนี่ก็กระทบกระเทือนกันเล่าจเวนนี้มันสื่อสารอย่างเนี้ยเวลาพูดเวลาแปลเนี่ยมันก็มีปัญหาเยอะคือถ้าเรามองในฐานะเป็นบันเทิงดีก็มองไป แต่ว่าบางทีประวัติศาสตร์เนี่ยมันอาจจะนึกถึงว่าพูดไปสองไปเบี้ยนิ่งเสียตะบ่งทองก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไปรื้อฟื้นแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็เสียหน้าเ็ารู้สึกก็เสียหน้าเขาเสียสศักดิ์ศรีบางครั้งบางคราวมันก็ต้องเฉยๆไปก่อนนะก็ไม่ควรจะเอามาพูดเพราะอะไรเพราะไม่เกิดประโยชน์ ถามว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงไหมจริงเป็นธรรมไหมเป็นธรรมแต่มันเป็นประโยชน์ไหมไม่เป็นไม่เกิดประโยชน์ในระยะยาวเนี่ยมันก็สร้างมันความแตกแยกแล้วก็พอสมมติว่าเข า, เาไปเขียนตามประวัติศาสตร์ของเขาเขาบอกเขาเขียนตามประวัติศาสตร์แต่เราไม่ได้จดบันทึกเอาไว้เราก็ไม่มีแล้วก็หาว่าเขาก็โมเมห์ อันนี้คื อ, ค, อคือเรื่องเราลองดูให้ดีแล้วเนี่ยถ้าต้องการจะให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมายังพูดว่าเราก็น่าจะทำตัวเป็นอุบาสกอุบาสิกาด้วยกันนะนะ แ, แทนที่จะไปเริ่มต้นในการเมืองไปเริ่มเกินในศาสนาไปไหว้พระไปบูชาพระไปสวดมนต์ไปฟัง พระเถระซึ่งเป็นมีบทบาทสําคัญอยู่ในประเทศนั้นๆเนี่ยเทศกล่าวสอนธรรมะสนทนาธรรม ะ, ะอะไรต่างๆกันแล้วก็ไปด้วยกันนะฮะใช้บรรยากาศแทนที่จะเชื่อมโยงจากการเมืองสู่การเมืองจากการาศาสนาสู่สาศาสนาแล้วก็โดยพื้นจิตของคนที่มีาศาสนาอยู่ในหัวใจเนี่ยแล้วค่อยขยับเข้าไปสู่การเมืองในโอกาสต่อไป ถ้าเราสามารถทำได้มันก็จะมีความสงบเรียบร้อยขึ้นนะฮะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นระเบียนี้ที่สำคัญแต่ยิ่งคือสื่อเนี่ยเขาไม่ค่อยสำนึกรับผิดชอบรอไม่สำนึกจึงความเป็นส่วนตัวอะไรแต่อไรของใครคือเขาปัญหากินเนะี่ยเป็นเครื่องมือหากินเขาแต่ว่าระยะยาวเนี่ยบางทีมันก็เป็นอันตราย ดังนั้นเราสังเกตว่าเรื่องวาจาที่กล่าวมาตลอดเนี่ยมันจะมองที่ตัวประโยชน์ี่เป็นเรื่องใหญ่ถามว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงไหมดีไหมเป็นธรรมไหมมีประโยชน์ไหมคนควงชอบใจไหมดูกาลเทศะควรจะพูดไหมอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงบางครั้งก็เป็นธรรมแต่มันเกิดประโยชน์หรือเปล่า มันเหมือนกับเรื่องไฟในนำออกไฟนอกนำเข้านี่เรื่องไม่ดีไม่งามภายในบ้านในเรือนในเมืองในประเทศของเราเนี่ยถามว่าเรื่องจริงไหมก็จริงนะฮะเป็นธรรมไมก็เป็นเป็นสัจธรรมแต่มันพูดไปอะไรมันได้อะไรมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันก็งดเว้ไม่พูดบดเว้ไม่พูดเรื่องเหล่านั้นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ เป็นการสาวไส้ให้กากินโบราณเนี่ยท่านพูดว่าเป็นการสาวไส้กากินบางทีก็เป็นการยืมดาบมาฆ่าคนของเราเองแล้วดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะเรื่องเช่นในคราวที่อะไรละ่ะนักโทษพมา่าแหกคุกที่แถวอะไรสมุทรสาครหรืออะไรเนี่ยล้วจะเห็นว่าวิทยุในแกนรายงานที่ม่วไปหมดเลย เราฟังแล้วตายแล้วตำรวจทำงานยากตายเลยทำงานอย่างเงี้ยถามเป็นเป็นประโยชน์ไหมมันสมาครคนต้องฟังข่าวเนี่ยมันเป็นประโยชน์แต่ว่า น, นี้มันเป็นอาญากรรมอาญากรรมของบ้านเมืองมันต้องปล่อยเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการเขาเราไม่ต้องไปรายงานล้าหน้าเขาหรอกก็รายงานตามหลังไม่ได้เป็นเสียหายอะไรนักหนาแต่ต้องปล่อยเจ้าหน้าที่เขาทำงานเขาไม่ใช่ว่า เราไปบอกไปกล่าวไปชี้แนะไปสนทนากับพวกนะ่กาโทษอะไรแต่ไรนี่มาปายกันใหญ่เนะี่ยเสียงคนนี้เลยเงียบไปนะทุกคนก็ไม่ค่อยได้ยินนี่ก็คือคื อ, ค, อคือเรื่องตัวประโยชน์เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ประโยชน์นั้นไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวนะฮะหมายความมันเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์แก่เราแกคนที่เราพูดถึงแกคนที่เราพูดด้วยและเราเองเนี่ยได้ก็ปฏิบัติธรรมะและกล่าววจีสุจริต มันไม่ใเรื่อของผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่าทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันนี่ก็ถือว่าเป็นหลักการที่มีความสําคัญมากเพราะว่าวาจาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่อย่างที่ท่านบอกไว้ว่าสักวาหวานอื่มีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจน์มานที่หวานหอมกลิ่นประเทศเปรียบรวงพวงพยอมอาจจะน้อมจิตโน้มด้วยลมลม แม้ลอลามหยามหยาบไม่ปราบรื้มหรือจะดื่มบารเพชต้องเข็ดขมผู้ดีไพร่ไม่ประกอบชอบอารมณ์คนฟังลงมือหน้าระอาเลยแต่ทีนี้เรื่อง่บเนี้ยบางทีเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นธรรมเป็นเรื่องจริงมีประโยชน์คนฟังไม่ชอบนะยังมีคนผูส้สอบวสบางคนเนี่ยขอร้องอาตมาว่าตัญญคุณอย่าสัมภาษณ์พวกผมเสียหาย บอกคุณทําความเสียหายแก่ภาษาศาสนาคุณอย่าทำความเสียหายแก่ภระาศาสนามาไม่อยากยุ่งกับคุณเสียเวลาเปล่าๆ เ, เรามีงานในการต้องทําแยะเราไปศึกษาค้นคว้าเอกสารเนี่ยก็ทํากันมาเป็นกิโลกิโลนะมันไม่ใช่อ่านสนุกนะเราก็เสียเวลาไปเยอะงานการเราที่จะต้องจัดต้องทําก็มีมากแต่ว่ามันจําเป็นเนะี่ยวนตรงนี้ไม่จําเป็นว่าโกรธโกรธก็โกรธอะแต่ว่าเราจะต้องรักษาภาษาศาสนาไว้ เพราะว่าอะไรพเรามองหนึ่งเรื่องนั้นเรื่องจริงแล้วก็เป็นธรรมแล้วก็มีประโยชน์คนความไม่ชอบใจแต่ถึงคราวที่จะต้องพูดเพราะต้าเราพูดก่อนเป็นราชบัญญัติแล้วก็ต่อต้านนะต่อต้นนานอำนาจของรัฐมันก็ไม่ได้การพูดเรื่องกฎหมายต้องพูดกันก่อนที่จะเป็นกฎหมายเราสามารถวิาพากษ์วิจารณ์ยังไงได้แต่ว่าเป็นกฎหมายแล้วเนี่ย นั่นเราก็อยู่ในฐานะที่จะต้องจำนดนประกฎหมายนั้นคือบทปัญญาที่รัตราขึ้นเพื่อบังคับความระพฤติของประชาชนผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกตัดสินลงโทษทุกฟังแตายแต่รลวมพ่อโพธิญาณในวันนี้เพยุติไว้ด้วยเวลาเป็นทานี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูรณธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังแต่หลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี